ฮัอฮัมฮัมัมฟงทไม่ฟังไม่ได้ไม่บอกไม่สอนกันก็ไม่ได้เ้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 แล้วก็มีสติเอาไปเพื่อจะได้ใช้ถ้าไม่มีสติมาจะมีความหลงมายก็ช้ใช่ความหลงก็ผิดต้งหาให้มีสติมืนก็เรามีชอัพมีเงินเพื่อจะได้ใช้จ่ายเรื่องชีวิตรักษาสุขภาพ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 รวมหลงมันก็ไม่เลือกเวลารวมบรรลุธรรมก็ไม่ต้องเลือกเวลาให้มันเป็นคู่กันการบรรลุธรรมไม่ใช่เรื่องยากมันทําได้เรามันหลงไม่หลงก็ได้รามันโกรธไม่โกรธก็ได้เวลามันทุกข์ไม่ทุกข์ก็ได้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 จะได้ความชอบอจะได้ความถูกต้องแล ะ, และมันสะดวกกว่ากันมากๆบริสุทธิ์สะอาดกว่ากันเช่นเวลามันหลงไง่ายหลงเนี่ยมันสะอาดว้าความหลงสกปรก ก, ก, กำผัดตัวแล้วเพิ <c oughs> มทุกข์สกปรกว่าไม่ทุกข์สะอาดบริสุทธ์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 ในที่ชีวิตแบบนั้นมันเป็นอะไรไปไกลความหลงก็เป็นเตเป็นสุรกายชะนโลกได้เป็นสุขเป็นทุกข์เนี้ยไม่ต้องไปสุกเป็นทุกข์สุขก็หลงทุกข์ก็หลงให้มันเห็นให้มันเห็น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 ไม่จะออกไม่ออกก็ตายแล้วปดแล้วอันชีวิตอันนี้เราไปห้อยไปเขียนไ้กับกายกับใจที่มันใช่อะไได้ไม่ใช่กินเหล้าก็จินได้เที่ยวเต่ ไ, ไล้รอนได้นี่ไม่ใช่ชีวิตตายเป็นทุกข์เป็นโทษหลวงตาก็เดินทางมายาวนาน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 ไม่ต้องให้พวกเราได้เสียเวลาวางทาีชีวิตมีการมีใจจนเท่าจนแจกไปค่อยศึกษาแล้วนี่ฟรีไปเลยไม่คุ้มค่าน้ำนมไม่คุ้มค่าพาอแม่เที่ยงมาขาดทุนว่าแม่เราอาจทำไม่ได้แต่เราก็ทำไปได้ขาดทุนไป ล่มเหลวไปหมดอุษาหาทรัพย์สมบัติหลังชั่วว่านาชืเป็นของขายแล้วก็เห็นกันอยู่ไอ้ช่วชืวิหลองตาเห็นเนี่ยเป็นเฉษฐีมหาเฉษฐีเป็นของขายเป็นเฉดถีเพื่ออะไรเป็นถีเพอทรัพย์ทรัพย์เป็นของขาย รสชาสร้างว่าสร้างเดือนอรุษาหาชาวไหวเป็นของไข่ไปมันถ่ายทอดไปทีงไหนช้ญาติเราไหมที่เป็นเจ้าของมาทีไม่ใช่ญาติเราเลยความหวังความชื่อของมดิชัยต้องสู้ว่าห า, หาสิ่งหาสิ่งร้อนใด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 ส่วนน่ยก็เห็นอยู่ตอนนั้นตเป็นส่วนน้นนอยน้อยไม่ใช่ชีวิตเราชีวิตเรามันเคยเนี่ยเป็นสมบัติของเรานุศสมบัติสวรสมบัตินิพพานสมบัติแน่นอนเป็นอริชพบ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 เอ่อมีคุณธรรมเกิดขึ้นไหนจ ะ, จะจะไม่พูดเรื่องนี้ไปได้กับพ่อกับแม่ได้จะแดงออกอย่างสุดชีวิตใช้คำคุดอันนี้นออกมากับพ่อกับแม่ได้เวลาพ่อแม่ใจจะขาดหลงพูดอีกวาละานึ่งตบหน้าอกนั่งอยู่ใกล้กลแม่ด้วยกระชิบหู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 ออยอมเห็นหน้ายอมหลวงพ่อก็ถามว่าอ้าวหลวงพ่อจะลันไปไหนเลยโยมหลวงพ่อจะลันไปไหนหลายคนตกหน้า อ, อกหลวงพ่อจะรันอย่หัยใจเนี่ยชื่นใจถ้าตอบว่าหลวงพ่อจะรันตายไปแล้วมันก็ไม่มี ควารู้สึกที่จะเป็น <c oughs> หน้องพ่อเจรัญพุทเจ้าปันนี้ผ่านไปแล้วพ่อแม่เราตายไปและไม่ใช่เมื่อหั่นนิวจีนนิวกายใจของเราได้มาจากพ่อจา ก, จากแม่จะทำความดีเรื่อยไปทำบุญทำทานทำความดีเป็นทู้แทนของพ่อแม่เรื่อยไปไม่ทำช่วยเด็ดขาดลูกของพ่อของแม่คนอยู่ที่ไหนจะทำแต่ความดี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 ไปในกายปัจจำเคืออ่อนเดนอยู่ที่ไหนล่ะกายอยู่ที่นั่นมีสติไปในกายทาอะไรมีสติไปในกายกายทำาะไกายยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดเคลื่อนไหวหายใจเข้าหายใจออกมีสติไปในกายเน้อกายนอกจากอริย แล้วก็มีสุขมีทุกข์มีสติไปในกายอย่าให้สุขเป็นสุขอย่าให้ทุกข์เป็นทุกข์มีสติไปในกายให้มันรู้ให้มีแต่ภาวะที่รู้เข้าไปดูไปเห็นอย่าให้เป็นสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์ให้มีสติเข้าไปเห็นถ้ามีสติเข้าไปเห็นสุข ก, ก็ไม่เป็นสุขทุกข์ไม่เป็นทุกเรียกว่าเห็นรู้แล้ว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 เราเที่งกันแล้วล้าสมัยงูงเมาโต้ตุนไปอยู่ในความสุขความทุกข์ความโกรธความโลภความหลงควารักของมชังความพอใจความไม่พอใจถูกหลอกมีสาทะมีอาสาทะูกหลอก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 ข้าเหลืองเราชิ้นเล็กๆเท่ฝาฝ่าเปือยแปะด่างไปมาถือก็ไม่ได้โอ้ชื่อมาสามรอยบาทบางทีเทียนห่อเป็นรูปห่อใหญ่แต่มีเทียนน้อยแค่ไม่เขี่ยวันในสองเล่มมาหลอกให้พระ <laughs> นีจของหลอก <laughs> พระก็มีที่เก็บ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 มันก็จะไม่ประมาญอย่างม า, มากเลยเวลาใดโยมกราบไหว้เอยมันเก็บใจเวลาใดเขายกค้อนเข้าใส่บาทมันเก็บใจมันจะทำให้เราไม่ไประมาญมันจะทีตัวขึ้นมาถ้ามันเศ่้าโผองอยู่มันก็เป็นเป็นบาปทระพุทธเจ้าตัดไว้ที่สุทูศิล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 พิจูสถานกาหมาขีเลื่อนงูเพื่อนคูดไม่ใช่จำนะก็อ้างตนว่าเป็นจำนะไม่ใช่พวกพืชทำอ้างตนว่าพวกพธรรมเป็นคนโน่าไหนเปลือกแขกเหมือนบออที่เทขยะมุนฝอยปลูกปิดช่อนเล่นตอกหลวงโกหกดมเทศนกยางเจ้าเล่งอ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 ชื่นใจเห็นยอดโยมมาอยู่เนี่ยชื่นใจเหมือนมีเหมือนมีงานที่ต้องทําไม่เอาอเทียบเราจะสศนเรื่องี้พิสูจน์เรื่องในท้า่ายเรื่องนี้มันมีจริงจริงไอ้มีบาปมันก็มีมีบุญล้างบาปมีทุกไม่มีทุกต่างทุก มีตายไม่มีตายมีเจ็บไม่มีเจ็บมีแฉไม่มีแฉมีตายไม่มีตายได้จริงในคําสอนในพระธรรมเนี่ยเหนือทุกข์เหนือโกรธเหนือโลภเหนือหลงหนือเกิดแก่เจ็บตายถ้าเราปฏิบัติอย่างนไรเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงเนี่ยเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์น่ยมันจะเหนือไปเรื่อยๆ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 ไปหาหมอมาหมอก็บอกว่ า, วาไม่มีอะไรแล้วต้องจะขออยู่ได้ต่อไปฮะเรเปลียนเนาะเนาะสมควรเจ๊เวลา